วัดความฉลาดของคนมีวิธีวัดอย่างไรถ้าเป็นความฉลาดทางโลกเราก็วัดที่ปริญญามาเรียนจบปริญญาไหนเป็นยาตรตโทรเอกยิ่งเรียนสูงย่อมมีความรู้ความฉลาดมาก อันนี้เป็นวิธีหนึ่งของการวัดความฉลาดทางโลกนะส่วนทางธรรมนี่วิธีวัดความฉลาดทางธรรมนี้วัดอย่างไรก็วัดตอนที่มีวันหยุดนีน่ช่วงที่มีวันหยุดสี่วันนี่ว่าไปไหนกันถ้าไปเที่ยวก็ไม่ฉลาด ถ้าไปทําบุญนั้นฉลาดถ้าไปอยู่วัดนั้นฉลาดทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าทางธรรมนี้ถือว่าการทําบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจส่วนการไปเที่ยวนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจการไปเที่ยวนี้เหมือนเป็นการเสพยาเสพติด ส่วนการไปทำบุญเหมือนกับการไปรับประทานอาหารเนี่ยบุญคืออาหารของจิตใจแต่การเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นยาเสพติดของใจเสพแล้วก็ติดที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วนี่ก็เพราะติดยาเสพติดเนี่ ติดการเที่ยวกันติดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่ากามาตัณหาเนี่ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายที่หาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมีแต่จะมีแต่หิวมีแต่อยากอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้ตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ในใจความอยากก็เลยดึงใจให้มาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานา น, านตาย จากร่างนี้ก็ไปหาร่างใหม่นด้ร่างใหม่เดี๋ยวก็ตายตายก็ไปหาร่างใหม่เพราะความอยากที่จะเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผลตภะมันไม่มันไม่มีวันหมดจากจิตจากใจจากการจากการเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผลตะนี้เอมันจะหมดก็ได้ก็คือ จากการทำบุญนี่เพราะการทำบุญจะทำให้ใจอิ่มหายอยากจะสามารถกําจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการทำบุญนี่แหละคือการวัดความฉลาดทางธรรมวัดที่พฤติกรรมวัดที่การกระทำ ธรรมะของพระทเจ้านี้คุณสมบัติมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเวทิตปัจจดตังเวทิตตัปโบวินยูหิเป็นธรรมที่เหมาะกับผู้คนฉลาดคนไม่ฉลาดนี่เปรียบเหมือนไก่ไก่จะคุยหาแต่ตัวหนอนแต่ตัวไส้เดือนแต่ถ้าไปเจอเพชรไปเจอพลอยก็จะเขียทิ้งเขียทิ้ง พ่อไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนพอถ้ามีเพชรสักเม็ดอย่างนี้ไปซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนได้เป็นแสนตัวไม่ต้องมาคุยเขียเป็นเศรษฐีไก่มีตัวหนอนตัวไส้เดือนกินไปจนตลอดมันตายถ้ารู้จักเก็บเพชรเอาไว้ เก็บลอยล้วไว้แต่นี่เขีรยทิ้งหมดเจอเพชรเจอพลอยเขี่ยทิ้งเขียทิ้ ง, งจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนแสดงว่าไก่มันไม่ฉลาดไก่มันโง่ถ้าเป็นคนนี้จะเอาไส้เดือนหรือจะเอาเพชรจะเอาพลอยถ้าเดินไปเจอตัวหนอนตัวไส้เดือนกับเจอเพชรเจอพลอยนี่ คนมันฉลาดกว่าไก่มันก็ต้องเอาเพชรเอาพลอยมันไม่เอาตัวหนอนตัวไส้เดือนถึงแม้จะเอาไปตกปลาได้ก็ตามสมัยก่อนเขาตกปลานี่ยเขาก็หาตัวไส้เดือนเนี่ยมาเป็นเหยื่อถ้าไปค้นหาตัวไส้เดือนไปเจอเพชรเข้าเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเอาแล้วไส้เดือนเอาเพชรนี้ไปซื้อปลากี่ตัวมากินก็ได้ คนฉลาจะคิดอย่างนี้ฉันใดาศาสนาก็เหมือนกันาศาสนาเหมือนเพชรเหมือนพลอยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเรียกว่าพระรัตนไตรเห็นไหมรัตนาก็คือเพชรพลอยที่มีคุณค่าอันมหาศาลเพราะผู้ใดได้เพชรพลอยอ น, นี้ไปเป็นสมบัติแล้ว จะเหมือนมีทรัพย์ที่จะซื้อความสุขความสุขใจซื้อได้อย่างเต็มเปี่ยมและไปนะตลอดไปด้วยจะซื้อความสุขได้ตลอดจะมีเงินซื้อความสุขไปตลอดแต่คนไม่ฉลาดกลับจะไปเห็นตัวหนอนตัวไส้เดือนสําคัญกว่า ก็คือเห็นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่สำคัญกว่าการมาหาความสุขทางใจ น, นี่คือคุณพระคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผู้ใดได้มาพบได้มายินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาได้ความฉลาดได้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ถาวรหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา แต่ถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็จะไปหาแต่ความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเช่นหยุดสี่วันนี้ไปเที่ยวกัน มีความสุขขนาดไปเที่ยวพอกลับมาบ้านกลับมาที่ทำงานความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากการต้องหาเงินมาเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวต่อก็จะตามมาถ้าไม่มีถ้าไม่สามารถหาเงินหาทองเพื่อไปเที่ยวต่อได้ เวลาไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็หงุดหงิดํำคาญใจเศร้าใจา ว, าว้าเหวนี่คือผลที่เกิดจากการไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนอกจากการไปเที่ยวแล้วก็อย่างอื่นก็มีการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เรียว่าไปช้อปปิ้งกันบางทีของสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปช้อปปิ้งด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ไปกินไปดื่มด้วย <Yeah. S 1> นี่เป็นเรื่องของการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะในรูปแบบต่างๆที่เป็นเหมือนยาเสพติด ระวางอาหารกับยาเสพติดนี่เราจะเอาอะไรคนง่อจะเลือกอะไรคนฉลาดจะเลือกอะไรคนง่อมันก็จะเลือกยาเสพติดพวกที่ติดยามันไม่เอาหรอกอาหารเวลามันมาขอขอเงินถามว่าไม่มีอาหารกินเหรอมันก็บอกไม่มีแต่พอจะให้อาหารมันไม่เอามันจะเอาเงินเอาเงินไปซื้อยาเสพติด นี่คือคนโง่เสพยาแล้วเป็นยังไงร่างกายก็สู้พร้อมไม่กินอาหารเอาเงินไปเสพยาระหว่างต้องระหว่างต้องเลือกระหว่างการซื้ออาหารกับซื้อยาเสพติดคนติดยาจะเลือกอะไรเขาก็ต้องเลือกยาเสพติดเเสพยาเสพติดแล้วมันบรรเทาความทรมานใจที่เกิดจากการอยากเสพยาได้ชั่วคราว แต่รับประทานอาหารมันไม่ได้ทําให้ความทรมานใจหายไปแต่มไม่ได้มองถึงว่ามันหายก็ชั่วคราวเท่านั้นเองความทรมานใจที่เกิดจากการติดยาเสพติดอยากเสพยาเสพติดมันจะรู้สึกทรมานใจมากต้องไปหายาเสพติดมาเสพแล้วความทรมานใจนี้ก็จะหายไปชั่วข้าว <c oughs> เดี๋ยวความทรมานใจใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกร่างกายก็จะต้องตายไปถ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือรับประทานไม่ไม่มากพอยาเสพติดก็จะไปทำลายร่างกายพิษของยาเสพติดนี่คือลักษณะของคนฉลาดกับของคนงโง่ ทางธรรมเรามองที่พฤติกรรมว่ามีพฤติกรรมไปในทางกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาหรือไม่นถ้าไปก็แสดงว่าโง่ไม่ฉลาดถ้าไปในทางการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาเรา จะเรียกว่าเป็นคนฉลาดเพราะการทําบุญทําทานการนักษาศีลการภาวนานี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจนั่นเองมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษต่อจิตใจยิ่งรับประทานมากเท่าไหร่จิตใจยิงจ่งเจริญเติบโตยิ่งได้ความสุขมากยิ่งขึ้นไปตามลําดับจนถึง ความสุขที่สมบูรณ์ความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์คือได้เป็นพระ อ, อริยเจ้าถ้าหาเองถ้าทำเองก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอรหันตาสาวกานี่คือประโยชน์ที่ จะได้รับจากการไปทาบุญกันในวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆอย่าเอาเวลาอันมีค่านี้ไปกับการเสพยาเสพติดเลยอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโปรพะอย่าไปเที่ยวอย่าไปชอปปิง้งอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเลย มาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาแล้วใจจะมีแต่ความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมันจะลดน้อยลลงไปตามํำดำับและหมดไปได้ในที่สุด อันนี้คือทางโลกกับทางธรรมนี้วัดความฉลาดไม่เหมือนกันทางโลกนี้วัดด้วยความรู้ในวิชาต่างๆถ้ารู้มากก็เรียกว่าฉลาดมากถ้าเรียนได้มากก็ฉลาดมากพวกที่จบโมโหกนี้ก็เอว่าฉลาดน้อยกว่าพวกที่ จบปวชปวชวก็น้อยกว่าปวสปวสก็น้อยกว่าปตีปตีก็น้อยกว่าปโทปโทก็น้อยกว่าปเอกคนที่ต้องการความเจริญทางโลกเขาก็ต้องไปร่มเรียนหนังสือกันไปโรงเรียนไปมาหาหลัยกันพอเขาได้ไปริญญาต่างๆ เขาก็สามารถนำมาไปหาเงินหาทองได้เวลาเขาจ้างคนในบริษัทนี่เขาจะดูวุฒิเขาจะมีอัตราเงินเดือนไว้เลยเช่นทางราชการนี่ปอตีจะได้เท่าไหร่ปอโทจะได้เท่าไหร่ปอเอกจะได้เท่าไหร่ จะได้มากกว่ากันปอโทปอเอกได้มากกว่าปอโทปอโทได้มากกว่าปอตีปอตีได้มากกว่าปวศปวศได้มากกว่าปปวชปวชได้มากกว่าม .6 เนี่ยนี่คือการวัดความฉลาดในทางโลกเพราะความรู้ในทางโลกก็สามารถเอาไปทำให้ เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ในทางวัตถุในทางร่างกายแต่ความรู้ความสามารถทางโลกนี้ไม่สามารถไปผลิตความสุขความสงบทางใจได้ต่อให้เรียนจบระดับด็อกเตอร์ก็ทำใจให้สงบไม่ได้ระงับกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆ ก็ลั ง, งับไม่ได้ทางธรรมนี้ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปฏิบัติ ร, รมสามขั้นด้วยกันคือทานศีลภาวนานี่แหละเป็นทางสู่ ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากการจบปริญญาเอกได้รับงานตำแหน่งสูงๆเป็นประธานบริษัทมีเงินเดือนหลายล้านหลายสิบล้านหรือมีบริษัทเป็นของตนเองมีมีราคาเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน ก็สู้ความสุขที่ได้จากการาปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะรถแห่งธรรมชะนะรถทั้งปวงไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมก็คือความสุขนี่ความสุขที่ได้จากธรรมจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่เรียกว่านัตตินัตติสันติบาลังสุขขังนี่องสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงสุดที่เหนือกว่าความสุขต้องปวงต้องมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบการทําใจให้สงบก็ต้องอาศัยการทําบุญทําทานการรักษาศีลการภาวนานี้เอง ถ้าตอนนี้ยังติดอยู่กับการใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของไม่จาเป็นต่างๆก็ต้องเอาเงินเหล่านั้นไปทำบุญแทนอย่าเอาไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จาเป็นอย่าเอาไปเที่ยวอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมันเป็นยาเสพติดมันจะคนที่อยากจะเลิกติดยาเสพติดต้องทำอย่างไรก็ต้องเลิกเสพยานั่นเองแล้วก็ไปกินอาหารแทนเอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดไปซื้ออาหารการจะทำได้ในี้ใจต้องเข้มแข็งต้องเห็นโทษของกะของยาเสพติดและเห็นคุณของอาหาร ฉันใดผู้ที่จะ เ, เลิกติดเที่ยวได้เลิกติดการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นต่างๆได้ก็ต้องบังคับจิตใจบังคับเวลาอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินนั้นไปทําบุญเวลาอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาไปทําบุญเวลาอยากจะซื้อของหรูหราของแพง ก็เอาไปทําบุญทําอย่างนี้ไปจนกว่าความอยากมันจะหมดไปพอหมดแล้วจะรู้สึกเฉยๆกับของฟุ่มเฟือยต่างๆกับของหรูหราต่างๆกับของมีราคาแพงต่างๆใจจะไม่รู้สึกมีความยินดีเหมือนคนที่เลิกยาเสพติดได้พอเลิกยาเสพติดแล้วจะ ไม่มีความรู้สึกอะไรกับยาเสพติดเลยเห็นก็รู้สึกเฉยเฉยกับเห็นคุณค่าของอาหารกินอาหารแล้วทำให้อบกายสบายร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือขั้นที่หนึ่งวิธีที่จะสร้างความสุขคือ มาหยุดเสพยาเสพติดกันเพราะการเสพยาเสพติดทางใจนี้มันสร้างความทุกข์ไม่ได้สร้างความสุขถ้าหยุดเสพความทุกข์ที่เกิดจากการเสพยาเสพติดทางใจก็จะหายไปเหมือนคนที่ติดยาเสพกิจยาเสพติดทางร่างกายพอได้เลิกเสพยาเสพติดแล้วจะสบาย เวลาติดนี่มันเครียดมันทรมานใจเวลาอยากจะเสพแล้วไม่มีเสพนี้มันแทบจะ อ, อยากจะ อ, อยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทรมานใจมากทุกมากแต่พอพ้นจากการติดยาเสพติดได้สบายอยู่เฉยๆก็สบายคนที่ติดเที่ยว ติดซื้อของฟุ่มเฟือยติดซื้อของหรูหราของแพงๆ พ, พอเลือกติดแล้วสบายเดินไปตามร้านตามห้างเห็นของอะไรต่างๆเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยๆถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นก็จะไม่ซื้อถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นก็ซื้อซื้อตามความจําเป็นเท่านั้นแล้วซื้อตาม ประโยชน์ของสิ่งที่ต้องการไม่ไปดูว่ามันหรูหรามันสวยมันงามหรือไม่อย่างไรดูประโยชน์ของสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จำเป็นก็มีไม่มากมีแค่ปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งส่วนใหญ่ก็มีครบอยู่แล้ว นี่ถ้าเราสามารถเลิกติดยาเสพติดได้ทางยาเสพติดทางใจได้เราจะลดการ เ, าเครียดกับการหาเงินหาทองได้เป็นอย่างมากเลยหาเงินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอมันจะทำให้เราไม่ต้องมีความกดดันในการที่จะต้องไปหาเงินแบบทุจริตเนี่ยถ้าเราใช้เงินมาก ความกดดันมันจะบังคับให้เราไปทำบาปกันไปทุจริตกันไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงไปทำบาปถ้าเราไม่มีความกดดันในการที่จะใช้เงินทองมากกับการเสพสุขทางตาหูจมูกลื่นกาย เราก็จะสามารถหาเงินแบบสบายสบายทำมาค้าขายก็ตรงไปตรงมาไม่โกหกหลอกลวงกันไม่หวังที่จะค้ากำไรเกินควรไม่น่าเลือดคนบางคนมีเงินแล้วก็ปล่อยกู้น่าเลือดเอาดอกเบี้ยแบบสุดโหดเลย แล้วก็เอาหลักทรัพย์มาประกันที่ดินอะไรต่างๆซึ่งมีคุณค่ามากกว่าเงินที่เขากู้ไปแล้วพอเขาไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ดินเขาไปนี่การเป็นการหาเงินแบบทุจริตหาเงินแบบไร้เมตตาไร้ความเมตตาเพราะอยากได้เงินมากๆ เพื่อที่จะได้เอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่คนที่เลือกใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอจะไม่ต้องการหาเงินแบบนี้จะเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารคนที่ทําบุญแล้วจะมีจิตใจที่เมตตาจะไม่น่าเลือดเหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญ คนที่ไม่ทำบุญก็คือคนที่เอาเงินไปเที่ยวแทนที่จะเอาเงินไปทำบุญก็เอาเงินไปเที่ยวพอเที่ยวแล้วมันก็หมดหมดแล้วมันก็อยากจะได้เงินใหม่ไปเที่ยวต่อมันก็เลยต้องหน้าเลือดขึ้นมาต้องเป็นคนไร้ความเมตตามีใครมาขอกู้เงินมีโอกาสที่จะหาเงินง่ายๆเร็วๆ ก็ให้เขากู้ไปแต่ให้เขาเอาหลักทรัพย์มาวางไว้คิดดอกแพงๆพอเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ยึดทรัพย์เข้าไปยึดที่ดินเข้าไปอนี่แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เอาเงินไปเที่ยวไม่เงินเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาเงินไปทําบุญ ใจจะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเพราะชอบช่วยเหลือผู้อื่นการทำบุญนี้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องทำที่วัดอย่างเดียวทำที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับคนชจลาคนพิการทำบุญกับคนที่เขายากไร คนที่ต้องการความช่วยเหลือทำแล้วจะทำให้อิ่มใจสุขใจจะไม่มีความหิวที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาแบบหน้าเลือดหาเงินแบบช่อโกงก็จะทำให้สามารถที่จะ ก้าวขึ้นสู่ธรรมที่ระดับสูงได้ต่อไปคือจากระดับทานก็จะได้ขึ้นสู่ไประดับศีลได้จะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้ไม่ยากเย็นตรงไหนเลยก่อนที่ทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำนี่ใจจะมีความเมตตาจะไม่อยากสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะทำอะไรก็คิดก่อน ว่าทําไปแล้วทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่ถ้าผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ทําดีกว่าก็จะสามารถรักษาสีห้าได้อย่างสบายจะสามารถละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักษ์ละเว้นจากการประพฤติผิดบาเวยนี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดโกหกหลอกลวงและและเว้นจากการเสพสุลายามาและอบายามุขต่างๆเพราะนี่ก็คือยาเสพติดของใจนี่พวกที่เอาเงินไปเที่ยวก็มักจะไปเที่ยวกับอบายามุขนี่แหละไม่ได้ไปเที่ยวกับอะไรบางพวกก็ไปแถวเขมรชายแดน มีบอ่อนมีมีบามีอะไรต่างๆให้เสพสุกกันอันนี้ก็กามาตัญหาเหมือนกันพวกที่ทําบุญเขาไม่ไม่เสพพวกนี้เขาทําบุญแล้วเขามีความสุขมากกว่าการไปเสพอบายามุกต่างๆอบายามุกก็มีการเดิมสลาการเล่นการพนันการไปเที่ยวนะ ความเกียจค้านแล้วคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนฉลาจะไม่ทำกันเพราะอบายามุขมีแต่ดูดทรัพย์ให้หมดไปไม่ได้ผลิตทรัพย์ให้กับผู้เสพอบายามุขอบายามุขนี่มีแต่ค่าใช้ใจ่ายไม่มีรายรับ ถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเดี๋ยวก็ต้องติดลบนะเอ่อเดสิ้นปีเนี่ยบริษัทเขาต้องปิดทำบัญชีปิดงบด้วถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับก็เจ้งนต้องปิดบอยษัทนะถ้าไปเสพแต่อายุมุกไม่ไปทำงานทำการเดี๋ยวเงินทองมีเท่าไหร่ก็หมดนะหรือถ้าทำงานก็มีเงินไม่พอใช้ จะใช้มากกว่าหาได้ก็จะถูกให้ไปทำในบาปทำบาปไปหาเงินด้วยวิธีทาบาปต่อไปนั่นเองดังนั้นผู้ที่ต้องการจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นละตอนเองเพราะการทำบาปนี้มันเบียดเบียนทั้งผู้อื่นละตอนเองผู้อื่นก็เสียหายเดือดร้อนผู้กระทำก็ต้องไปจับก็ต้องถูกจับไปลงโทษ ก็อย่างน้อยก็มีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษนะฉะนั้นการทาบาปการเสพอบายมุกนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจคนฉลาดจะไม่เสพกันคนฉลาดจะไม่ทำบาปจะไม่เสพอบายมุก ค, คนที่ฉลาดก็คือคนที่ทำบุญทำทานนั่นเอง คนที่ไม่ไปเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทาบุญเนี่ยเขาก็จะมารักษาศีหน้าได้อย่างง่ายอย่างสบายแล้วถ้าเขาสามารถที่จะรักษาศีได้ใจก็จะคลายจากความทุกข์คลายจากความวุ่นวายใจจากการทำบาปจากการเสพปบายมุขเนี่ยทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้น นี่คือความสุขทางใจที่เป็นระดับระดับที่หนึ่งก็ทานระดับที่สองก็ศีล <c oughs> แล้วพอได้ระดับที่สองก็จะขึ้นไประดับที่สามได้คือระดับภาวนาผู้ที่จะขึ้นไประดับภาวนาได้นี้ต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อ ถ้ายัางรักษาสีหน้าไม่ได้ก็ยากต่อการที่จะไปภาวนาได้เมื่อวานนี้มีคนมาถามวิธีภาวนาว่ามีปัญหามีอุปสรรคนั่นงสมาธิไม่ได้มันง่วงนอนมันขี้เกียจก็เพราะว่ามันไม่ได้รักษาสีแปดนั่นเองถ้ารักษาสีแปดได้ก็จะลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปได้ รับประทานพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องรับประทานจนอิ่มเพราะรับประทานมากๆห่ออิ่มท้องแล้วมันง่วงนอนมันขี้เกียจแต่ถ้าไม่รับประทานมากจนเกินไปรับประทานแค่ดับความหิวก็พออย่าไปรับประทานให้อิ่ ม, ามการดับความหิวกับการอิ่มนี่มันไม่เหมือนกันนะถ้าลองสังเกตดู การดับความหิวก็คือเนี่ยก่อนเรารับประทานนี้เรารู้สึกหิวแล้วก็รับประทานไปพอรับประทานไปรู้สึกว่าหายหิวแล้วเราควรจะหยุดแล้วแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่หยุดเพราะมันยังไม่อิ่มมันหายหิวแต่มันยังไม่อิ่มก็ต้องขอต่อยจานขอให้ชามหนึง่งความจริงนกินจานเดียวก็หายหิวแล้วอแต่มันไม่อิ่ม ถ้าอยากจะให้อิ่มโดยไม่มีโทษก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนเดินเข้าไปแก้วสองแก้วมันก็อิ่มเองแล้วมันจะไม่มีโทษเพราะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายหายอิ่มเร็วแล้วมันจะทำให้ไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจเนี่ย <c oughs> คนที่จะไปนั่งสมาธิได้นี่จึงต้องรักษาศีลแปดให้ได้ถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้นี่ ไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้ายังติดแฟนอยู่ยังต้องมีหมอนข้างต้องนอนกับแฟนอยู่ก็จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิเวลานอนกับแฟนก็นอนยาวเลยเลยเวลาที่จะไปนั่งสมาธิก็ไม่มีคนที่ถือศีลแปดเลยต้องเปลี่ยนศีลข้อสามาก การเมสุมิจฉาจาราคือลัวเป็นการเสพการที่ผิดประเพณีผิดประเพณีคือการเสพการกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนนั่นเองถ้าอยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนต้องร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนต้องมอีมีการแต่งงานมีการอา มีการมีสักขีพยานมีการแสดงให้สังคมรู้ว่านี่คือคู่กันของกันและกันผู้อื่นไม่ควรที่จะเข้าม า, าเกี่ยวข้องด้วยและสองคนนี้ก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครอันนี้เป็นประเพณีของมนุษย์ทาไมมนุษย์เราจึงมีประเพณีแต่งงานทำไมไม่เหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉาน องศาเดลอาชานทำไมเขาถึงไม่มีประเพณีแต่งงานเพราะสัตว์เดรอาชานเขาโง่กว่ามนุษย์นั่นเองสัตว์เดรอาชานไม่เห็นไม่รู้โทษของการประพฤติผิดประเพณีมนุษย์นี่เห็นโทษของการประพฤติผิดประเพณีเลยพยายามประพฤติให้มันถูกประเพณีคือให้มีคู่คร อ, องของตน พะเวลาไม่มีคู่ของของตนแล้วไปไปเสพกับคนนั่นคนนี้นี่มันมีปัญหาสังคมตามมายาวเหยียดนะมอเสพแล้วเกิดตั้งทันขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบผู้หญิงก็ไม่อยากจะมีบางทีมีก็บางทีก็ไปไปทำแท้งไปทำบาป หรือถ้าคลอดออกมาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงบางทีก็ทิ้งเอทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลนะบางทีก็ไปทิ้งให้กับปู่ย่าตายายเป็นภาระของปู่ย่าตายายต่อไปแล้วจะเป็นภาระของสังคมเพราะเด็กไม่มีผู้ที่ให้ความอบอุ่นไม่มีผู้คอยเลี้ยงดูจะเป็นเด็กเ อ, อเด็กที่ จะเกเรเด็กที่ไม่มออีไม่มีความรู้เพราะไม่มีใครที่จะสนับสนุนส่งให้เสียให้เล่าเรียนอะไรต่างๆออแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เป็นออปัญหาของสังคมไป เ, ออเป็นพวกอาชญากรรมไปนีออออ่นี่คือทำไมมนุษย์เราจึงต้องมีประเพณีในการแต่งงานกัน สัตว์นี้เขาไม่มีความฉลาดเขาไม่รู้ว่าการมีประเพณีให้อยู่เป็นคู่นี้มันทําให้สังคมอยู่กันอย่างสงบะไม่มีการแย่งผัวแย่งเมียกันแต่สัตว์นี้เขาแย่งกันเขาเจอใครที่ไหนตัวไหนเขาชอบตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็แย่งเอาไปกินเออตัวที่มีกําลังน้อยกว่าก็ขอแห้งไป ลิ้นห้อยไปอันนี้คือทำไมสังคมของมนุษย์จึงเป็นสังคมที่สงบกว่ากว่าสังคมของสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์นี่รู้ดีว่าการเบียดเบียนกันนี่ไม่ดีสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเมื่ออยากต้องการอะไรต้องให้ได้ดังใจอยาก ถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าใช่ไหมสัตว์เวลามันหิวมันอยากจะกินอะไรมันก็ฆ่าแต่มนุษย์รู้นี่ว่าการฆ่าไม่ดีเพราะไม่มีใครอยากจะถูกฆ่านั่นเองก็เลยต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันถ้าเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็อย่าไปฆ่าเขาสังคมของมนุษย์จึงอยู่อย่างสงบกว่าสังคมของสัตว์เดราชา แต่ถ้าสังคมของมนุษย์เริ่มไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่อไปสังคมของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสังคมของสัตว์เดรัจฉานลองสังเกตดูสังคมไหนที่มีศีลธรรมสังคมนั้นจะอยู่กันอยา่างสงบสังคมไหนไม่มีศีลธรรมสังคมที่ใช้อาวุธใช้กาลัง สังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ผู้อ่อนแอกว่าก็จะต้องถูกลังแกเสมอเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ดูสักดูเหตุการณ์ทางโลกเป็นยังไงพวกเด็กพวกผู้หญิงพวกคนแก่คนชรานี่ถูกพวกคนที่มีกําลังวางชาขมเหงรังแกเพร <c oughs> าะไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจใจ เพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนตอนที่เป็นเด็กนั่นเองตอนที่เป็นเด็กก็ปล่อยให้ทำไปตามกิเลสตัณหาความอยากความอยากมันก็ไม่คํานึงถึงความเสียหายความเดือดร้อนของผู้อื่นอยากได้อะไรก็หามาถ้าต้องขโมยก็ขโมยถ้าต้องฆ่าก็ฆ่ากันนี่แหละเป็นปัญหาของโลก ต่อไปโลกเหล่านี้จะวุ่นวายมากกว่านี้ไปเรื่อยๆเพราะคนไม่เข้าวัดกันคนไปเที่ยวกันไปเที่ยวลวงโง่ไม่ฉลาดไม่ได้รู้ว่าการที่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนี้อยู่กันอย่างไรแต่ถ้าไปวัดไปไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมะก็จะรู้ความสาคัญของศีลธรรมว่าศีลธรรมนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เราอยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่อยู่ที่การมีเงินมากๆไปเที่ยวได้ที่ไปเที่ยวได้ไกลๆ ไ, ได้ซื้อของอะไรมากมายความความสิ่งเหล่านี้แทนที่จะทำให้สังคมสงบกับไม่สงบเพราะเมื่อทุกคนต้องการได้เงินมากๆเมื่อไม่สามารถหาเงินได้มากๆด้วยการไม่ทำบาปก็จะไปทำบาปกัน แต่ถ้าได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความสุขของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่การมีสมบัติมีข้าวของเงินทองมากเกินไปมีพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วเกี่ยวกับเรื่องข้าวของเงินทองสมบัติต่างๆถ้าอยากจะได้ความสุขต้องมารักษาศีลธรรมกัน มีรักษาศีล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายคนที่รักษาศีลไม่ได้นี้ใจจะร่มร้อนอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของศีนลนะร่าถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากศีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะการรักษาศีลแปดได้จะทำให้เรามีเวลามา สร้างความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลนั่นก็คือการมาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมาเจริญเจริญสติด้วยการเดินจงกรมอันนี้ต้องมีเวลาศีแลแต่ก็จะมานังงับกิจกรรมอื่นๆไป ถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ไม่บาปเป็นกิจกรรมไม่บาปแต่มันก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ให้ความสุขดีเท่ากับความสุขที่ได้จากการมาฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองเช่นกิจกรรมทางด้านบันเทิงก็ให้ระงับไปการเที่ยวก็ให้ระงับไปสีนข้อเจก็ห้ามเที่ยวห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามร้องลัมทำเพลง อ้ามแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพราะมันเป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วเป็นความสุขที่เสียเวลามากสู้เอาเวลาที่ไปใช้กับความสุขแบบนี้มาสร้างความสุขจากการมาเจริญสติด้วยการเดินจงกรมมานั่งสมาธิ ทำใจให้สงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเนื้อนัติสันติปรังสุขขังดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะได้ความสุขจากการฝึกสมาธินี้จากการนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องระ ง, งับกิจกรรมทางด้านอื่นไประ ง, งับกิจกรรมในการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนะ ศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอป ร, รัมมจริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อหกก็เพิ่มศีลข้อหกขึ้นมาก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับพอให้รับประทานพอให้หายหิวก็พออย่ารับประทานให้อิ่มรับประทานให้อิ่มแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนก็เลยต้องลัเว้น ไม่้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติรมไปจนถึงเวลาที่เราจะหลับจะนอนกันมีเวลามาจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไหว้พระสวดมนต์กันทําใจให้สงบถ้าต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าต้องการสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ ต้องสัมผัสด้วยการภาวนาด้วยการส ม, มถาภาวนาคือการนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิใจสงบได้ต้องฝึกสติก่อนเพราะสติเป็นตัวที่จะหยุดความคิดต่างๆถ้าใจไม่หยุดคิดใจจะไม่มีวันสงบใจจะสงบก็ต่อเมื่อได้หยุดคิดจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีเบรก เหมือนรถยนต์รถยนต์นีที่วิ่งไปอยู่นี่ถ้าจะให้มันหยุดนี่ต้องมีเบรกถ้าไม่เหยียบเบรก break, มันไม่หยุดเนี่ใจก็เหมือนกันถ้าอยากให้ใจหยุดคิดก็ต้องมีสติสติคือเบรกของใจถ้าไม่มีสติก็ต้องรู้จักวิธีสร้างสติขึ้นมา ว, วิธีสร้างสติก็ให้ใช้กรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะเอามาหยุดความคิดต่างๆกรรมฐานนี้มีให้เลือกถึงสี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งหมดสี่สิบชนิดเราเลือกใช้กับกรรมฐานที่เหมาะกับเรา กรรมฐานที่เหมาะกับเราโดยทั่วไปก็มีอยู่พุทธโธนี่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็สามารถที่จะหยุดความคิดได้หรือการระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกายกตาสติคอยเฝ้าดูร่างกายอยู่ทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวกําลังทํำอะไรอยู่ก็ใจก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติมีกรรมฐานถ้าใจมีกรรมฐานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธยึดเหนี่ยวจิตใจหรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้ แต่ยังไม่สงบทัเต็มที่ถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่พอมีสติแล้วก็ต้องมานั่งเฉยๆเพราะถ้ายังไม่นั่งนี้ใจ ย, ยังต้องทำงานอยู่ยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทานู่นทํานี่อยู่ถ้าต้องการให้หยุดการทำงานของใจหยุดคิดหยุดสั่งใจต้องนั่งร่างกายต้องนั่งเฉยๆ พอนั่งเฉยๆแล้วก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้คําบริกรรมในการเจริญสติก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทเวลานั่งก็มาดูลมหายใจเข้าออกนั่งแล้วก็ดูลมแทนดูร่างกาย แทนที่จะดูร่างกายเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วมีแต่นั่งอยู่เฉยๆมีสิ่งเดียวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็คือลมหายใจก็ให้เฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกอยากเคลื่อนไปที่อื่นอย่าย้ายไปที่อื่นดูที่จุดเดียวถ้าย้ายไปาย้ายมาใจก็ยังทำงานอยู่ยังไม่นิ่งต้องการให้ใจนิ่งต้องดูลมอยู่ที่จุดเดียว อยู่ตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาจออยู่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมจะหยาบหรือละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจก็ให้รู้ตามความจริงเพราะว่าตอนนี้ลมละเอียดจะไม่สามารถเห็นได้รู้ได้ ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวไม่ตายบางคนจับลมไม่ได้ก็ตกใจกลัวว่าเดี๋ยวจะตายเพราะไม่ได้หายใจพอเกิดความตกใจเกิดความกลัวขึ้นมาจิตมันก็จะถอนออกมากําลังจะเข้าเข็มเข้าได้อยู่พอดีเข้าได้เข้าเข็มพอตกใจก็เลยถอนออกมาไม่ต้องถอนออกมาดูต่อไปดูความว่างดูไม่ดูความไม่มีลมไปดู ว่าตอนนี้ใจเราจับลมไม่ได้ก็ดูความว่างไปอย่าไปคิดอยอะไปปรุงแต่งเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ความสงบนั่นเองถ้าดูต่อไปได้ไม่นานมันก็จะเข้าสู่ความสงบไปเวลาสงบแล้วใจจะเบาจะสบายความรู้สึกต่างๆที่มาสัมผัสทางร่างกายนี้บางทีก็หายไปบางทีก็อยู่ แต่จะไม่ทำให้ใจลำคาญกับความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกลำคาญกับมันบางทีมันก็หายไปหมดเลยก็มีแล้วแต่ว่าจะร่วมมากรวมน้อยแต่ก็ถือว่าได้สมาธิแล้วถ้าเข้าไปถึงจุดนั้นถึงจุดที่ใจนิ่งสงบ ไม่ต้องดูลมไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมีความสุขมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคือไม่ลำคาญกับอะไรทั้งนั้นได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญมีอะไรมาเกาะมาแตะที่ร่างกายก็ไม่ลำคาญเฉยสบายถ้าได้ถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรใช้สติประคับประคอง อย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่งพอใจจะคิดปั๊บก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆไปนานๆจนกว่ามันจะหยุดความคิดไม่ได้พอเกิดความคิดมันก็อยากจะลุกขึ้นมาถ้าอยากจะทาต่อก็ถ้ายังไม่อยากลุกถ้าอยากจะทำต่อก็ต้องฝืนความอยากที่จะลุกบังคับให้มันดูลมต่อไปใหม่ คือบังคับให้มันบริกรรมพุทโธต่อไปใหม่พอออกมาแล้วซู้อยู่ข้างในไม่ได้นั่งต่อไปได้เหมือนดูหนังจบแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็ตีดูอีกเรื่องหนึ่งต่อไปเลยหรือดูเรื่องเก่าก็ได้เรื่องเก่าดูแล้วมันสนุกก็ดูต่ออีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ตีตั๋วแล้วก็ดูใหม่พยายามอยู่ในสมาธิให้นานๆอยู่ให้บ่อยๆเข้าไปบ่อยๆฝึกบ่อยๆให้มันชนานาญ จนเรามีความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาขั้นต้นนี้เอาความสุขแบบชั่วคราวก่อนเอาความสงบแบบชั่วคราวก่อนเอาให้มันชํานาญก่อนเพราะเราต้องอาศัยความสงบนี้เป็นบรรดาก้าวสูอขึ้นสู่ขั้นของปัญญาอีกทีเพราะถ้าใจไม่มีความสงบนานๆจะไม่สามารถพิจารณารม ให้เป็นปัญญาได้นานๆถ้าพิจารณาได้แวบสองแวบแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นสัญญาไปพิจารณาอสุภะได้แวบสองแวบหายไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นแทนอย่างนี้ไม่ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญานี้ต้องสามารถพิจารณาอสุภะไปได้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นทั้งวันทั้งคืน จนไม่หลงไม่ลืมเวลาเห็นร่างกายของใครจะเห็นเป็นอสุภะไปหมดอย่างนี้เห็นเป็นอาการสามสิบสองไปหมดเห็นเป็นดินน้ําลมไฟเป็นหมดเห็นเป็นการแก่เจ็บตายไปหมดเนี่อันนี้คือปัญญาต้องเห็นแบบนี้เห็นแบบไม่หลงไม่ลืมไม่มีช่องว่างที่จะไปเห็นเป็นอย่างอื่นะ เห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นอาการสาสิบสองเห็นเป็นดินน้ำลมไฟเห็นเป็นแก่เจ็บตายเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองหรือร่างกายของคนอื่นการที่อยากจะมีแฟนก็จะหายไปอยู่คนเดียวกับมีความสุข มากกว่าการอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนแล้ววุ่นวายใจมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาต้องคอยวิตกคอยกังวลอยู่เรื่อยๆต้องห่วงกันต้องห่วงกันแล้วบางทีก็ต้องทะเลาะกันเพราะมักจะมีความเห็นไม่ตรงกันการมีแฟนถึงแม้จะมีความสุขมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันมีส่วนอื่นเข้ามาด้วย เนถ้า1 0อยเอซาจจะมีความสุขสักยี่สิบเปอร์เซ็นมั้งอีกแปดสิบเอร์เซ็นนี้กลับเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆให้มาวุ่นวายใจจะสุขก็ตอนที่มีความเห็นตรงกันโอเคแต่เวลาอื่นก็เถียงกันทะเลาะกันว่ากันอย่างนุ้นอย่างนี้นี่คือสู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับความสงบไม่ได้ ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถระ ง, งับเวลาใจเกิดความไม่สงบที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเราก็สามารถที่จะหยุดมันได้ต่อไปเรื่องของร่างกายนี้เราจะไม่มีปัญหากับมันแม้ว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อน ร่างกายของคนอื่นจะสวยจะน่าจะดูน่าดูจะรัวจะลหล่อแล้วอย่างไรก็ก็เห็นว่ามันเป็นแค่อสุภะดีๆนี่แค่อาการสามสิบสองนี่นี่เกิดปัญญาต้องเห็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจะพิจารณาแบบนี้ได้โดยอย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องมีจิตที่สมาที่สงบที่ที่ออกจากสมาธิมา ถ้าจิตไม่สงบในกิเลสมันไม่ยอมไม่พิจารณากิเลสมันจะดึงให้ไปพิจารณาของสวยๆงามๆพิจารณาแต่ของที่น่าดูน่าชมน่าอยากน่าได้ขึ้นมา น, น, นี่คือเรื่องของปัญญาใจ เ, เย็นๆยังไม่ต้องรีบร้อนเอาสมาธิให้ได้ก่อนเหมือนหัดว่ายน้ําให้เก่งก่อนแล้วค่อยไปแข่งกับเขาะปัญญานี่เป็นการไปแข่งกับกิเลส ที่เราไปฝึกปัญญาเพื่อเราจะไปไปสู้กับกิเลสนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่มีกําลังยังยังยังควบคุมใจไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ต้องรู้จักควบคุมใจรู้จักหยุดกิเลสก่อนรู้จักทําใจให้สงบก่อนพอไปเจอกิเลสปัญญาก็จะบอกนี่คือติกิเลสให้หยุดทันทีเอาใช้ใช้อสุภะทันทีให้ใช้ อาการสาสิบสองทันทีให้คล้ายการเกิดแก่เจ็บตายทันทีพอมีปัญญามันก็สามารถตัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ตัดความทุกข์ที่เกิดจากได้แฟนอยากจะมีแฟนได้อยู่คนเดียวสบายกว่าอันนี้เป็นปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เราชํานาญทางสมาธิแล้ว สามารเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะว่าเวลาที่เราเจริญปัญญาไปสักระยะหนึ่งใจมันก็สมาธิมันก็จะหมดกำลังเหมือนแบตเตอรี่ที่เราใช้ในเครื่องมือถือนี้เราต้องคอยชาร์จอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันหมดเวลาเราาไปใช้งานเดี๋ยวมันก็หมดสมาธิความเย็นที่เราไปใช้กับการพิจารณาทางปัญญาเดี๋ยวมันก็หมด พอหมดแล้วมันพิจารณาไม่รู้เรื่องแนละ้วพิจารณาเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิมาชาร์ตความเย็นความสงบใหม่จะต้องทําอย่างนี้สลับกันไปหลังจากที่ได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วสมาธิกับปัญญาจะสลับทําหน้าที่กันไปจนกว่าจะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ แล้วสมาธิและปัญญาก็หมดภาระหน้าที่ไปไม่ต้องเจริญสมาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาปัญญาอีกต่อไปเพราะเป็นเหมือนยารักษาโรคใจพอโรคใจหายไปแล้วก็ไม่ต้องกินยา <c oughs> เหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องกินยา พอร่างกายหายจากโกาครคภัยแค่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องกินยาพระพุทธเจ้าพระหลานนี้ท่านไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาแต่ที่ท่านเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธินี้เพื่อเป็นการพักผ่อนเปลี่ยนอิรยาบทของร่างกายพักผ่อนจิตใจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ ทำเพื่อฆ่ากิเลสแต่อย่างใดทำไม่ได้ทำเพื่อรักษาใจแต่อย่างใดเพราใจหายพน้นหายจากโลกของความทุกข์แล้วหายกิเลสตัณหาที่เป็นเชื้อโลกก็ถูกทำลายไปหมดแล้วเห็านการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้ากับพระสาวอลาหันตสาวกจงไม่เหมือนกับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอลาหันตสาวกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอ ได้ทำลายความอยากหมดไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดกันมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่จิตใจดีกว่าการไปเที่ยวที่ได้ความสุขเดียวเดียวกลับมาแล้วก็ปวดหัว เงินหมดไม่พอใช้ต uh> ้องวุ่นวายกับการมปหาเงินใหม่ต่อให้เอาไปคิดดูใครฉลาดใครโงอเป็นอย่างไรก็ให้ดูในสีวันนี้ก็แล้วกันลองโทรถามเพื่อนดูว่าไปไหนกันก็จะรู้ว่าเป็นเพื่อนที่ฉลาดหรือเพื่อนที่โงอกจะได้รู้จักเลือกเพื่อนต่อไปนี้คบเพื่อนที่ฉลาดดีกว่าเพื่อนโง่ไม่ไปคบกับมันดีกว่าเดี๋ยวมันพาเราโง่ด้วยเดี๋ยวมันก็ชวนเราไปเที่ยวนั้น ถ้าเป็นเพื่อนที่ฉลาดเดี๋ยวมันก็จะชวนเราไปวัดเรื่อยไปวัดไหมไปวัดไหมนี่แหละคือการวัดความฉลาดทางาศาสนาพุทธให้วัดอยู่ที่พฤติกรรมว่าไปทางไหนไปทางกิเลสตัณหาหรือไปทางธรรมถ้าไปทางธรรมก็เรียกว่าฉลาดถ้าไปทางกิเลสตัณหาก็เรียกว่างโง่เพราะกิเลสตัณหามีแต่จะคอยสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนั่นเอง แต่ธรรมะนี้จะมีแต่สร้างความสงบสร้างความสุขให้กับจิตใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติ อิชีตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสาเพโปรเณโตสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสพพพิตโยวิวาจจตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังเัาตื่นได้ละว่า <laughs> น่าสงสารเนยต้องมานั่งทรมานเราจำได้ตอนเป็นเด็ ก, เ, ดกเคยไปกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปเทีละเขาก็ปล่อยให้เรานั่งรออยู่ในรถคนเดียวโอ้ยแสนทรมานเมื่อไหร่จะมาะทัทีเมื่อไหร่จะมาะทัที <laughs> เห็นสภาพแล้วเข้าใจ <laughs> นอนดีกว่ามันจะได้ไม่ทรมานนะ <laughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 316 youtube2 ย you ูวิทยุออนไลน์18ผู้รับฟังบนเขาห้าสิรวมทั้งสิ้น588ท่านค่ะถ้ามีคําถามก็ถามได้เลยค่ะคําถามจากคุณธวัชชัยการปฏิบัติแบบดูจิตหรือเดินจิตเขาว่าเป็นสติปัฏฐานสอยากทราบว่าแบบนี้คือสมถะหรือวิปัสสนาครับ ก็แล้วแต่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนมันได้ทั้งสองแบบแต่การดูจิตนี้มันเป็นการข้ามขั้นตอนไปไกลถ้าศึกษาสติปัฏฐานสูตรนี้ท่านให้เริ่มที่อานาปนาสติก่อนลองไปอ่านพระสูตรดูให้ไปเปกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออก แต่วเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับที่ร่างกายแต่จะไปที่จิตนี้มันมันรู้สึกว่ามันไกลมันยากเกินไปเพราะจิตเป็นของที่ละเอียดที่จับดูได้ยากจับต้องได้ยากกว่าดูลมหรือดูร่างกายพระพุทธเจ้าจึงสอนกายเวทนาจิตเนเพราะความอยากความละเอียดมันไม่เท่ากัน และกิเลส ท, ที่จะแก้ที่ติดอยู่กับกายเวทนาจิตก็มีมีความยากง่ายต่างกันเห็นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาแก้มาแก้ที่กายก่อนแก้กิเลส ท, ที่ติดทำให้เราใช้ใจมาติดอยู่กับร่างกายก่อนโดยการให้เจริญสติด้วยการเฝ้าดู การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกิเลียบทเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างที่เมื่อกี้ได้เทศให้ฟังอันนี้แหละสติปัฏฐานสูตรตามขั้นตอนจริงๆส่วนขั้นดูจิตนี้มันต้องผ่านร่างกายไปแล้วถ้าพูดตามระดับธรรมมันก็ต้องเป็นระดับของพระอนาคามีแล้วถึงจะเข้าไปถึงจะสามารถไป สู้กับกิเลตระดับนั้นได้ก็เหมือนกับนักมวยที่ต้องชกผ่านเวทีหลายระดับก่อนต้องผ่านเวทีระดับประเทศก่อนถึงไประดับระดับภูมิภาคจากระดับภูมิภาคถึงจะไปสู่ระดับโลกได้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่านึกอยากจะเริ่มต้นก็ไปขอชิงแชมป์โลกเลยะ ขึ้นไปเพียงแต่เห็นหน้าแชมป์ก็ล้มแล้วนคำถามจากคุณแอร์ชมพูโยมฝึกสติและปัญญามาระยะหนึ่งแล้วกิเลสบางเรื่องเบาบางได้แต่บางเรื่องมากระทบยังทำให้เกิดทุกข์อยู่เกิดอาการคิดไม่ดีแต่ไม่ได้แสดงออกมาโยมต้องพยายามหากุศโลบายมาแก้โยมฝึกถูกไหมคะ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 ทุกข์กับเงินหทุกข์กับแฟนทุกข์กับเกียรติบางคนไม่ให้เกียรติเราก็โกรธขึ้นมาก็ต้องมาแก้ที่ตัวความอยากมีเกียรติถ้าทุกข์เพราะเงินก็ต้องมาแก้ที่ความอยากมีเงินถ้าทุกข์ที่แฟนก็ต้องมาแก้ที่ความอยากมีแฟนเนี่ยมันมีอะไรมันก็อยู่ที่ความอยากในเรื่องนั้นทั้งนั้นแหละ หมดแล้วแหลถามหมดค่ะดีสะแสดงว่านักเรียนฟังแล้วเข้าใจเพราะฟังมาหลายปีแล้วเนี่ยฟังมาทุกวันทุกวันทุกวันถ้ามาคอยถามก็สแสดงว่าโง่นะั่งดึจดึงเลยไม่มีใครกล้าที่จะถามหรืออยากจะถามหรือพิธีกรอยากจะกําลังจะถามพ <laughs> อดีไม่เป็นไรเรายังเพิ่งมาใหม่ไม่เป็นไร ยังฟังไม่บ่อย <concern> <ส> <Done> ค่ะคือเมื่อวานพระอ <reversed> าจารย์เทศว่าถ้าบริกรรมพุทโธจิตยังคิดอยู่ก็เลยที่ผ่านมาพยายามจะเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็ไม่ได้กลับไปพุทโธอยู่ดีเหมือนกันเน่ยมันจะแบบไหนมันก็ยังคิดอยู่ เมืนแตะเบรคปั๊บมันจะให้รถหยุดมันไม่หยุดหรอกรถมันก็ยังวิ่งอยู่แต่มันจะชะลอลงไปเรื่อยๆขอให้เราแตะเบรคไปเรื่อยๆขอให้เราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วความคิดต่างๆที่มันเคยคิดมันก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดแต่ตอนต้นพอแตะเบรคพอเริ่มพุทโธปั๊บนี่จะให้มันหายปั๊บมันไม่หายหรอก เหมือนกันเหมือนกับรถแตะเบรกรถวิ่งมา120กิโลต่อชั่วโมงแตะเบรกปั๊บจะให้มันหยุดนู่นมันต้องอีก2กิโลก่อาจะมันจะหยุดได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันขอให้เราแตะเบรกไปเรื่อยๆก็แล้วกันพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลกับความคิดที่มันยังไม่ยอมหยุดคิดถือว่าเป็นธรรมดาเวลาเริ่มต้นมันต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็แต่ พอพุทโธเนี่ยเรานั่งสมาธิได้นานพยายามเลยจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องพยายามใช่ไหมคะก็ดูสังเกตดูว่าถ้าถ้าจิตมันเบาสามารถดูลมได้ไม่ต้องพุทโธได้ก็ลองดูลมไปถ้ายังดูไม่ได้ก็ต้องกลับมาพุทโธเหมือนขับรถขึ้นเขาเนี่ยก็ต้องใช้เกียร์ต่ํำนะพอรู้สึกว่ามันวิ่งได้เร็วขึ้นลองเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นดูถ้าเปลี่ยนแล้วมันยังจะน็อกก็แสดงว่ายัง กำลังไม่พอก็ต้องเอาเกียร์ต่ำไปก่อนพุทธโธนี่เหมือนเกียร์ต่ำส่วนดูลมนีเมน่เป็นเหมือนเกียร์สูงขอบพระคุณค่ ะ, ะคำถามจากคุณวรัชยาค่ะกราบน้ำรสการเจ้าค่ะการดูลมหายใจเข้าออกเราภาวนาพุทธโธด้วยไหมคะหรือดูลมแค่ที่ปลายจมูกหรือตามลมไปว่าสั้นยาวขอบพระคุณค่ะ ก็เมื่อกี้ก็บอกนะบอกให้ดูที่จุดเดียวอย่าตามลมให้ดูลมดูลมกับตามลมไม่เหมือนกันนะตามลมก็ต้องตามเข้าตามออกถ้าดูลมก็ดูตรงจุดเดียวดูที่ปลายจมูกแล้วก็ไม่ได้บอกให้พุโทโธให้ดูเฉยเฉยถ้าจะพุโทโธก็ไม่เกี่ยวกับลมถ้าอยากจะใช้พุโทโธก็ไม่ต้องดูลมพุโทโธไปอย่างเดียวแต่คนบางคน ก็เอาสองอย่างมารวมกันอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วได้ประโยชน์ได้ผลก็ทำไปบางคนพุทธเข้าโทรออกอก็ได้แล้วแต่แต่โดยหลักแล้วเขาให้ดูลมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูลมอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกดูที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกอคำถามจากคุณแพทซี ความอยากมีเกียรติแก้ยังไงคะก็ทำตัวให้เป็นแจ๋วสิบอกเตือนตัวแล้วว่าเราเป็นแจ๋วนะเราไม่มี เ, เก่อนมามันก็มาจากดินน้ำลมไฟ่างกายของเรามันไม่มีเกียรติตรงไหนหรอกเกียรตินี่มันเกิดจากการมาสร้งกันขึ้นมาเองสมมติกันขึ้นมาเองนะทุกคนเกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันหมดใช่ไหมเป็นทาโลกเหมือนกันหมด แต่พอออกมาแล้วเขาก็มีสมมุติมาเกาะมาตั้งว่านี่เป็นลูกของเศรษฐีนี่ลูกของขอทานนะลูกของอประธานาธิบดีลูกของอะไรแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเกียรติขึ้นมาั้เงเป็นนิยายที่เราไปเล่นกันแล้วก็หลงคิดว่าเป็นของจีนของจังที่แท้จริงทุกคนเหมือนกันหมด มาจากดินน้ำลมไฟมีอาการ32เกิดแก่เจ็บตายเป็นอสุภะเหมือนกันหมดอย่างที่เมื่อกี้เทศให้ฟังถ้าลองพิจารณาทางปัญญาแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีใครสูงใครต่ำกว่าใครแที่สูงต่ำนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นบทละครที่ก็ตั้งให้เรามาตัวละครมาเล่นกัน ตัวละครตัวนี้ให้มาเล่นเป็นลูกเศรษฐีตัวละครตัวนี้ให้มาเล่นเป็นลูกขอทานาเท่นั้นมันก็เป็นแค่ตัวละครเหมือนกันพอออกจากโรงละครไปก็จบเหมือนกันพอออกจากโรงละครเป็นตัวแสดงก็ไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นลูกคนจนก็เป็นไปตามถ า, ถานะเดิมของตน <c oughs> จิตเราพอมาได้ร่างกายแล้วก็เป็นหลงติดกับสมมุติของร่างกายสมมุติว่าเป็นลูกของเศรษฐีลูกของคนจนลูกของคนใหญ่ของลูกของคนไม่ใหญ่แล้วก็ไปยึดเพราะกิเลสมันชอบของใหญ่ของโตว่าเวลาใหญ่โตมีคนให้ความเคารพนับถือให้ความอ่ำนวยความสะดวกความสบายต่างๆกิเลกก็เลยอยากจะมีเกียรติกันเท่านั้นเอง แพอไม่มีการเข้าให้เกียรติก็เสียใจทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าคนที่มันรู้ว่าเราไม่มีเกียรติไม่ต้องการเกียรติใครจะให้เกียรติไม่ให้เกียรติก็ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเราถือว่าเราไม่เป็นอะไรพระพุทธเจ้าบอกให้เราหัดคิดว่าเราเป็นปัตภีเป็นแผ่นดินเป็นสิ่งที่ต่ําที่สุดใครจะเหยียบก็ให้เขาเหยียบได้ ใครเขาจะอุจจาระปัสสวะใส่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดคำถามจากคุณชวนกราบเรียนถามพระาจารเมื่อร่างกายตายไปแล้วจิตยังคิดปรุงแต่งได้ไหมเพราะไม่มีสังขารและร่างกายแล้วหรือยังปรุงแต่งได้ตามบุญและบาป ท, ที่สะสมหรือหยุดการปรุงแต่งและหยุดคิดได้กราบนมัสการค่ะ คือร่างกายมันไม่มีสังขารความจริงคำว่าสังขารมันแายว่าความคิดปรุงแต่งทีนี้เรามาใช้กับร่างกายมันก็เลยสับสนอีก่นร่างกายนี้เป็นาธาตุขันเป็นดินน้ำนํำลมไฟไม่มีความคิดปรุงแต่งสังขารความคิดปรุงแต่งอยู่ในนา ม, มาขันอยู่ในจิตใจอยู่กับจิตใจเวลาร่างกายตายไปสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็คิดปรุงแต่งต่อในรูปแบบของความฝันไงเวลานอนหลับก็เหมือนตอนที่เราตายตายชั่วคราวเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเราก็ใช้ความคิดสังขารปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอาศัยสัญญาความจำที่ไปทำอะไรมาแต่ละรเรื่องแต่ละอย่างถ้าทำเรื่องดีมันก็จะฝันเอาเรื่องเรื่องที่ดีมาฝันถ้าทำเรื่องไม่ดีมันก็ เ, เรื่องที่ไม่ดีมาฝัน ก็เลยมีฝันดีฝันร้ายไป เ, เวลาตายไปเขาก็เรียกว่าฝันดีว่าเป็นสวรรค์เวลาฝันร้ายเขาก็เรียกว่าเป็นอบายไปเท่านั้นเองเอมันก็แค่ตัวจิตนี่แหละที่กำลังฝันกำลังผลิตความเรื่องราวต่างๆขึ้นมาโดยผ่านสังขารสัญญาเวทนาเวีญญาเนี่ยขันจีเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตเรื่องราวต่างๆผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตละครเรื่องนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอาศัยผู้กำกับคือบุญหรือบาปเป็นผู้กำกับให้กำกับแสดงเรื่องไหนดีถ้าบุญก็จะแสะดงเรื่องหวานหวานเรื่องโรแมนติกถ้าบาปก็แะสะดงเรื่องบูเรื่องผีเรื่องน่ากลัวต่างๆชัดเจนไหมนั่นแหละคืออบายหรือสวรรค์ เกิดจากผู้กากับคือบุญเรือบาป ท, ที่เราทํากันเนี่ยค่ะคําถามจากคุณจินกรามนรัสการพระอาจารย์ค่ะโยมนั่งสมาธิฟังเทศพระอาจารย์ไปด้วยจิตนิ่งสบายอย่างนี้ปฏิบัติผิดหลักไหมเจ้าค่อมันนิ่งสบายมันจะผิดตรงไหนนะถ้านั่งแล้วก้นร้อนใจร้อนเนี่ยมันถึงจะผิดนะถ้านั่งนั่งฟังแล้วจิตสบายเย็นสบายก็ถูกแล้วเพราะอันนี้สงของการฟังธรรม ก็มีอยู่ห้าข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นก็คือจิตจะนิ่งสงบมีความสุขมีความสบายอีกสี่ข้อก็คือจะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทําให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมา นี่คือประโยชน์จากการได้ฟังธทำงั้นถ้าเราได้ประโยชน์อย่างใดหนึ่งอย่างหนึ่งในห้าประโยชน์นี้ก็ถือว่าไม่ผิดละใช้ได้ถ้าฟังแล้วไม่ได้สังอย่างเลยนะี่แล้วผิดพวกทัพพีในเม้าแกลงนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ฟังอะไรทัพพีมันอยู่ในแกงมันไม่รู้เป็นแกงอะไรมันต้องฟังแบบลิ้นกับแกงรู้เลยมันกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่รู้เลยว่าสุขหรือทุก์จากการฟัง ยยกว่าได้ประโชนคำถามจากคุณฮลี่กราบเรียนถามเจ้าค่ะการจะชนะความอยากได้ให้เด็ดขาดควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะและควรใช้แนวทางใดในการดึงสติเมื่อเกิดความอยากเจ้าค่ะก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือฆ่าความอยากต้องมีศีลก่อนถึงจะเปสมาธิได้ ต้องมีสมาธิถึงจะไปปัญญาได้มันเลยต้องไปเป็นทั้งพวงเหมือนหอกอะหอกมันมีทั้งด้ามมีทั้งปลายถ้ามีแต่ด้ามไม่มีปลายหอกมันก็มันก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้ามีแต่ปลายหอกที่แหลมคมแต่ไม่มีด้ามมันก็ไปกใช้ไม่ได้ Yeah, mm hmm. เครื่องที่จะฆ่ากิเลสมันเป็นเหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนมีดเนี่ยมันต้องมีทั้งดาบมีทั้งตัวตัวมีดตัวดาบตัวหอะตัวชั้นใดก่อนที่จะมามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่มีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนอย่างที่ได้แสดงไว้วันนี้ศีลศีลก็ต้องเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดถ้ายังไม่ได้ก็ต้องไปเอาศีลห้าก่อน ถ้ายังไม่ได้สีหน้าก็ต้องไปทําบุญก่อนไปน้อมใจให้มีความเมตตาก่อนน้อมใจให้ยุติการเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้ก่อนถึงจะมามีศีลได้เการทำของพระเจ้าเป็นเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนที่จะต้องผ่านเข้าไปสู่ขั้นที่สูงกว่าไม่ได้เหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยต้องเดี๋ยวนี้ต้องเข้าอนุบาลกันทุกคนนะถึงจะเข้าปถมได้ปถมก็ถึงจะให้ขึ้นสูงมัธยมได้ มัธยมเขาก็ถึงจะรับเข้าสู่มหาลัยได้อันนี้ก็แบบเดียวกันการจัดําจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องเริ่มที่ทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาไปตามลําดับคําถามจากคุณวิกกี้ดีกราบเรียนถามครับสถานที่ในการภาวนามีส่วนช่วยให้การภาวนาได้ผลขึ้นจริงครับเช่นนั่งสมาธิในบ้านกลางคืน กับในวัดป่าที่สงบสงบถ้าความเงียบพอๆกันจะได้ผลเหมือนกันไหมครับลองทําดูสนะิถ้าไม่ลองยังจะไม่รู้สิบปากว่าสู้ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะเพราะแต่ละคนมันอาจจะมีความรู้สึกต่อสถานที่สถานที่ไม่เหมือนกันก็ได้บางคนอาจจะได้ได้ประโยชน์ดีกว่าในบ้านกว่าในป่าก็ได้ บางคนได้ประหยนประโยชน์มากกว่าในป่ามากกว่าในบ้านก็ได้เพราะบางคนกลัวกลัวสิ่งต่างๆเพราะไปอยู่ในป่าใจไม่มีกรจิกระจอยาภาวนาเพราะมีแต่ความกลัวอยู่บ้านกลับสงบกว่าเพราะไปอยู่ป่าไม่สงบแต่บางคนอยู่บ้านแล้วมันไม่สงบมันมันไม่มีอะไรมาควบคุมใจมาบังคับใจ พอไปอยู่ในป่ามีเรื่องน่ากลัวมันทําให้มีสติหยุดความคิดความกลัวต่างๆได้มันก็สงบมากกว่าดีกว่ า, าการที่อยู่ในบ้านเพราะนั้นแต่ละจิตของแต่ละคนมันแล้วแต่ระดับของจิตว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับที่ควบคุมความกลัวได้แล้วไปอยู่ในป่านี้มันมันดีกว่าเพราะความกลัวมันจะทําให้จิตสงบง่ายถ้าอยู่ในบ้านไม่มีความกลัวมันก็จะไม่ มีความระมัดระวังไม่มีสติสถงังมันก็จะสงบยากนั้นแล้วแต่ละคนจิตของคนอยู่ในระดับจิตระดับไหนคำถามจากคุณการในการใช้ปัญญาหลังจากนั่งสมาธิ จนมีสมาธิแล้วการใช้ปัญญาพิจารณานี้ยังอยู่ในท่านั่งสมาธิต่อเลยหรือเปล่าครับหรือว่าออกจากสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาตอนใดก็ได้ที่มีปัญหาครับตอนไหนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วเราก็สามารถพิจารณาได้จะอยู่ในอิริยาบถไหนไม่สําคัญจะเดินจะ ย, ยืนจะนั่งจะนอนนี้สามารถพิจารณาทางปัญญาได้ตลอด คำถามจากคุณพีโกคนทำผิดไม่รู้ตัวเองทำผิดเราควรบอกให้เขารู้หรือบอกตัวเองไม่ควรทำเป็นเยี่ออย่างครับก็แล้วแต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกเราก็บอกเช่นลูกหลานคนที่เราต้องสั่งสอนเวลาเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องสอนเขาบอกเขาแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่เราก็เฉยๆไป ดูเอาดูการทำผิดของเขามาเป็นบทบทเรียนสอนเราก็ได้มาทำแล้วมันก็จะเกิดโทษเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาคำถามจากคุณจตุรนกราบนมัสการถามหลวงปู่ครบับรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากจิตเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับพุทโธเหมือนกับว่าพุทโธครอบขันห้าเอาไว้เป็นความคิดที่ผิดไหมครับรูปนี้ไม่ได้อยู่ในจิตนะรูปเป็นร่างกายรูปนี้กับจิตเป็นคนละส่วนกันเป็นสามีภรรยากันนี้ดีกว่ารูปคือร่างกาย เป็นเหมือนเป็นภรรยาหรือเป็นคนรับใช้จิตนี้เป็นเหมือนเจ้านายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมาอยู่ร่วมกันนะ่ะแต่งงานกันใจก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่คีก็าถามว่าทำไมนะผ่านไปแล้วเําจำได้ไหมคำถาม เขาถามเกี่ยวกับขันห้านี้ว่าอย่างไงหมายถึงว่าจิตที่แน่วแน่อยู่กับพุโทโธเหมือนกับว่าพุโทโธครอบขันห้าเอาไว้เป็นความคิดที่ผิดไหมครับก็เป็นตัวที่คอยคุมความคิดปรุงแต่งให้มันไม่คิดปรุงแต่ง พอไม่คิดปรุงแต่งมันก็ไปคุมร่างกายด้วยร่างกายก็จะไม่ขยับเขยื้นอนเพราะไม่มีผู้สั่งให้ทําอะไรแต่จิตแต่สติมันไม่ได้คุมร่างกายคุมที่ใจคุมที่สังขารความคิดปรุงแต่งพอสังขารไม่คิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายทาอะไรร่างกายก็เลยมันถูกคุมไปไปโดยปริยายค่ะคำถามจากคุณพีโกค่ะพระอาจารย์ครับ ควรมีศีลกี่ข้อถึงไม่ไปนรกเมื่อรวมกับทำทานห้าขอ้อเน่ยห้าอแล้วก็อบาย อ, อบายมุขต่างๆด้วยศีลห้าแล้วก็ต้องไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวไม่คบคนที่ชอบอบายมุขเป็นเป็นมิตรและความเกียดคร้านนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามห้ามไว้เพราะอบายมุขก็คือ ประตูเข้าสู่อาบายนั่นเองถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับอาบายยมุกก็แสดงว่าเรากําลังจะเข้าไปในอาบายแล้วเพราะพอเราไปเสด็อาบายยมุกเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําบาปพอทําบาปแล้วก็จะไปอาบายทันทีเนเราต้องละเว้นการกระทําบาปและละเว้นอาบายยมุกอย่าไปอยู่ใกล้ๆทางเข้าอาบายคําถามจากคุณจินขอบกราบนมัสการครับ เกิดปัญญาชั่วคราวแล้วจิตฟุ้งใหม่ทำอย่างไรต่อดีครับก็พิจารณาใหม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆหมดแล้วแหละค่ะคำถามหมดแล้วค่ะแสดงว่าปัญญายังน้มลุกคุกคาดอยู่ยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าสติมหาปัญญาถ้าเป็นมหาสติมหาปัญญานี่มันจะพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นไตาลากเห็นอสุภะเห็นดินน้ำลมไฟเห็นอาการสาสิบสองเห็นเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตา น, น้าตาว่าไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้นเป็นของธรรมชาติทั้งหมดก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้เอาล้นะวันนี้ถ้าไม่มีคําถามก็ขอยุติการสนทนาทําไว้เพียงเท่านี้